สามารถทิก่อนอาตมาได้มีโอกลาสไปประเทศภูฏานหรือที่บองกว่าภูฏานได้ไปไกลถึงจังหวัดที่เป็นชนบทเพือบุญทางบุญทางที่เป็นจังหวัดทางด้านที่ตัวท่อของภูฏานส่วนใหญ่คนไทยที่ไปภูฏานเนี่ยจะไปไม่ทิศภูฏาน เพราะว่าต้องใช้เวลาในการเดางมากปกติก็ไปแค่ห้าวันห้าวันก็ไปได้แค่เมืิงหลุรร์แลวก็หมืองรอบเจียงพาราหรือไม่ก็อูราา่ราคาถ้าอาไปไกลเชิญโขอย่างเดิทาง้ก็ต้องสึกสอนเราต้องใช้เวลาในการเดินทาง ม, มากเพราะว่าเป็นที่ที่อ่างกล เราทราบดี ว, ว่าผู้ขาเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นรูปแบบความสุขแต่เวลาเราไปในชนบทเนีเย่ยยิ่งไปไปกลเท่าไหร่เราก็จะเห็นความสุขของผู้คนแสดงออกมาทางสีหน้าแล้วก็ทางการปฏิสังขัรของผู้คนผู้คนที่ได้มีความสุขมาก แต่ว่าเป็นความสุข ท, ที่เกิดขึ้นข้ามกาฝากย่า ง, งาันไปถ้าเราเอาวัตถารอย่างโยลดเน่ไปวัดคนดูถานเลยที่มีชนบทเนี่ยจับแล้วเขายากจนก็ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างผู้เย็นเครื่องสักภาา โทรศัพท์หรือโทรศัพท์ ม, มืือกับสมาร์โฟนแต่ว่าถ้าพูดถึงชิปความบรรจุเท่าเราเนี่ยก็เรียกว่าประหยัดเกินไ่ว่าไม่ได้สะดวกสบายอย่างที่ชาวกรุงเทพเคยแต่ถ้านที่ก็ไม่มีท่าจะไปเที่ยวไม่มีโรงแรมจะไปดูหรือว่า ได้มีสถานบันเทิงเดิ่มลงและสื่อมือความสะบวกแต่เ้ามีความสุขตรงข่ากับคนจีนคูนเทสหรือคนคนไทยที่พร้อมด้วยวัตถุอุดมด้วยสิ่งํอมือความสะบวกเราสามารถจะดูหนังได้ตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะเวลาหลักลับบ้านเพื่อเกิดตรักแต่ก็สมุดถือโน้ตเนี่ย เราสามารถจะรับเป็นไจ้ากี่เพงที่มีในโลกสำหคนหาเพเราสามารถที่จะดูตั้งได้กรอบเวลาและถ้าอยู่ในเพ ท, ที่มันมีสิ่งดีความข้อ้อด้วยวัตถุและสิ่งอานวยความสะดวกเรามี้ากายแต่ว่าผู้คนเนี่ยกลับม่ค่อยมีความสนใจเท่า คนจุนานเนี่ยวัตถุมีน้อยแต่เขามีความสุใจความสใจมนมีนะแต่ถ้าเทียบแล้ว น, น, น, น่าจะน้อยกว่านคนจุนมงไทยโดยเท่อันนี้เราดูจกนะกากสิิคนเป็นโรคประสาทเป็นคเป็นโรคจิคนเป็นโกษษรกซึมเศรตาคนที่ตัวตายเนี่ื่องน้อยออกยว่าคนไทย้ว่ากลายนมากสิ่งที่น่าเชื่อคือว่า ใ น, นเมื่อเขาไม่เพียมีสิ่งเสนความสะดวกและความตั้งครองของวัตถุแต่เขามีความรู้น้อยแต่ที่เราเมีความต้องทําวัตถุมีชิ้ที่สุนสบายเรากลับมีความทุกข์ใจ ม, มันแปลว่ามันแปลว่าความทุกข์ใจคนเราเมันไม่ได้ชื่อว่ามีมากหรือมีน้อย การที่มีมากเพียงแต่ทำให้เรามีความสุขใจแต่ไม่ได้เป็ลักประกันว่าเรากจะสุขใจไปด้วยการมีน้อยมันก็เป็นจะบอกว่าชีวิตความเป็นอยู่อาจจะลํบาบากอาจจะไม่สุขใจเท่าไหร่แต่ว่าความสุขใจสามารถเกิดขึ้นได้ อันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดนะมันแสดงว่าความทุกข์ใจของคนเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นงหรือว่ามีวัตถุสิ่งเสพน้อยแล้าแต่จะนับความทุกข์ใจเกิดจากอะไรถ้าว่าความทุกข์ใจ้เกิดจากความมีน้อยเพราะเพียงแต่ไม่ยิ้โห้ในเหง่ตายมีปัญจจยสื่อ คนเราก็สามารถจะมีความสุขใจได้ความสุขใจเกิดจากอะไรถ้าไม่ได้เกิดจากกัามดีน้อยการตอบคือเกิดจากความคิดคนทุกวันนี้เ น, ในี่ยสุกใจเพราะความคิดไม่ใช่เพราะดีน้อยไม่ว่าจะเป็นเงินสิ่งเงินภาพสะดวกหรือวัตถุสิ่งเสื แต่เข้อความที่ที่คิดไม่ถูกรวมถึงวางใจไม่เป็นด้วยเพราะฉะเนี่ยไม่ว่าจะมีเงินมีทองมากเท่าไหรน่นถ้าเราคิดไม่เป็นคิดไม่ถูหรือวางใจผิดเนี่ยเราก็มีความทุกข์อยู่ตลอดเวลานะความทุกข์ มายถึงทุกใจเกิดจากความคิดจินอยู่ยังโยน ต, ตอนนี้เนี่ยถ้ากว่าใจเนี่ยเป็นนึกถึงความสูญเสียทับทากคนรักอาจจะไม่ใช่เดือนที่แล้วแต่จะเป็นปีที่แล้วอาจจะนึกถึงของมีค่าที่สูญหายไปหรือนึกถึงคนที่ประทับว่าจะพอเรา หรื ừ, อการกระทันที่เราเคยติดตากับคุมบค้มีครอบครูย่มจะรู้สึกทุกข์าึ้นมาดางทอยูตอนนี้เนี่ยสบายๆแต่ว อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อตื่นเหตนการณ์แรงอึนเนี่ยมันทุกข์ึ้นมาทีแต่พอไม่คิดก็ไม่ทุกข์หรือไม่ชนะเนี่ยเราก็ไปนึกถึงเหตุการณ์ขนาดคน วันจันไรคนต้องไปทำนานพอที่ถึงงานที่ยังทายอยูนีเทียนนี่คนที่ยังต้องยี่งทำเพื่เสร็จเจอตนอตงงนที่ตกตรงนี่ขึ้นาดีนึกถึงลูกว่าเกิดเพิ่มแล้วเขาจะไปเรียนอย่างไรเขาจะเรียนได้ไหม และโรงเรียนที่เขาเรียนเนี่ยมันได้ช่วยทําให้ก็ได้สอบเข้าหมายอะไรได้อีกออต่าพอคิดแื่นี้ก็ตัดใจหรือบางทีหมอนัดให้ไปรับเอาไปฟังผลตรวจผลวินิจฉัยยังไม่รู้เป็นอะไรนะแต่พอนิกถึงวันที่ต้องไปรับผลวินิจฉัยก็เครียดขึ้นมาทันทีบางคนก็อาจจะนึกถึงนี่ที่ไม่ได้ชำระหรือไม่ไผันสม พอคิดปุ๊บเราทุกข์เลยแล้วเราทุกข์ใจเพราะเหตนนี้เนี่ยเป็นประจําทั้งเรียกว่าทุกวันเวลาเรานั่งรถสัญจรในกรุงเทพเนี่ยพอรถติดปุกเนี่ยเราเสียดเขาไม่ได้เพรพราะรถติดนะรถติดไม่ทำอะไรเราเพียรเราเพียรตราลีตบตกกาน ท, ที่เรารึกไปว่า ถ้าติดแบบนี้จะไปทา ง, งานไม่ทันจะส่งลูปไป็นเรียนสายจะไปพบปะ ก, กับลูกค้าคนสำคัญไม่ทันหรือว่าตกเค้ื่อนเพราะคิดแต่นี้ ท, าทาําค์าเราจึงเครียดเราจึงมุ่งีิตจิตต่อ ถ้าถามว่าไอ้ที่เราคิดเหตุการณ์ที่เราวาดภาพเอาไว้เนี่ยเกิดขึ้นจริงไรือยังยังไม่เกิดและจะเกิดหรือเปล่ายังไม่แน่แต่ทุกวนะันนี่คือความจริงที่เกิดกับเราทุกวันและอา จ, จะเกิดทุกคืนจนเราคิดไม่ได้นอนไม่หลับ เราทุกข์ว่าใจเป็นเรือถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือลอยหายไปนานเพที่ยังไม่ถึงยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็ปรุงแต่งไปในทางลบทางร้ายหรือมองเห็นแต่สิ่งที่เป็นลบสิ่งที่เป็นเรื่อง เ, ใใเอดือดร้ายใจก็เลยห่อเดียวใจกสลาย ท, ทุกข์เราทุกข์บางครั้งก็ คนที่ชอบมโ ม, มโนิยมคนหนึงเนี่ยเพิ่งมาเบิกอาตามาแกก็เล่าว่าก่อนที่จะมาบวชเนี่ยก็ชอบโพสต์ขอ้อความแล้วก็รูปภาพเนี่ยทางเฟซบุ๊กหลายครั้งก็จะมีคนกดไลค์แต่ถ้าคราวไหนเนี่ยโพสต์ภาพและขอ้อความไปแล้ว คนที่เคยกดไลค์คราวนี้ไม่กดไลคมั้ยแย่ทุกเลยนะแล้วแกก็จะสงสัยตัวว่าเขาไม่กดไลค์เพร อ, อะไรเพก็มไม่ชอบเราเหรอกเพราะเขาไม่พอใจเราหรือเปล่าเคยกดไลค์แต่คราวนี้ไม่กดเขาที่เที่ยงในงานทุกเลยถ่านนายพอแก็กจับพยานไปเรียกเรียกเีเพียงถาม คนหลัมนี้ว่ามีอะไรไม่พอใจทํางไหมยังรู้สึกดีกับเขาอยู่หรือเปล่ปาถ้าคนที่ไมกดไลค์เนี่ยมีแค่คนสองคนก็ไม่กี้นายนะแต่ถ้ามีเป็นยี่สิบคนทํางานไม่ต้องทําอะไรถามว่าเครียนนะดเครียดที่จริงเขาไม่กดไลค์แต่ไม่ก็เห็นอยู่ก็ได้เช่นเขาไม่เป็นโพสตหรือเข้าูมมันเฉยเฉยไม่ได้เกลียดอะไรเรเลย ไม่ได้ขุ่เคืองอะไรเลยแต่ก็จิตแหนงคิดมนโนอะไรเนี่ยลเลยทุบเลยแล้วจะบอกจะทุบอนี้บ่อยมากนี่เรียว่าพุบก็จิตมันกลุ่มแตกแล้วก็จะบอกว่าไม่จริงหรอกที่มุ่หยิบเนี่ยเรื่ออกากาศร้อนหลายคนก็ เราตอนนี้อารู้สึกหงุดหิดใจนะไม่ค่อยสบายเพราะอากาศ ร, ร้อนหรือเสียงดังแต่จึงหรือเป็นเพราะอากาศ ร, ร้อนเสียงดังมันเป็นเพราความคิดของเราต่างหาเสียงดังได้ทำให้เราทุกข์แต่เป็นเพราะเราวางจิตไม่ถูก ตัวยอย่างที่ธรรมาชอบนำมาพูดอยู่เสม อ, อเพรันเกินใจได้ดีก็คือเรื่องราวของมุ่งกลุ่บุตรานะซึ่งท่านกมลนกักภ า, า, าพไป2ีปีแล้วตอนที่ท่านกมลนพพปปักภาพก็อายุร้อยปีมาดูเมื่อสักแค่หกสิบปีก่อนท่านได้รับมิลให้มามาฉันนะที่กรุงเทยเยพย่าโยมก็อยากจะสืบมงคล ท่านชันเสร็จก็จะกลับวัดสิงห์บุรีสมัยก่อนเนี่ยทางก็กไม่ค่อยดีจะโยนเจ้าภาพมาเป็นว่าถ้าท่านกลับไปสิงห์บุรีเนี่ยท่านจะเหนื่อยก็อยากท่านพักก่อนหาห้องให้ท่านพักท่านก็เอนหลังมีลูกศิษย์45คนมานั่งถึงเพื่อนเวลาลุกสึกจะคืนกัน ก, ก, ก็คุยษาร่าเพราะกลัวว่าจะไปลูกครวหลวงปู่ แต่บังเอิญห้องที่ติดกันเนี่ยที่ท่านทำเนี่ยมันเป็นห้องแถวเท่านั้นอีกห้องนึงเนี่ยมันเป็นร้านทำร้านโชว์เจ้าของเป็นอาสินคนจีนสมัย ก, ก่อนเนี่ยก็ยจะสวนเกลียไม้แพวกเราบางคนคงเคยคุน้นเคยสวนเกลียไม้เวลาเดินบนดังเดินก็ไปนับขึ้นบนดังเป็นดงังก็เป็นบันไดไม้เส้นดังก็เส้ยกระดังก็มาถึงห้องที่หลวงปู่เนี่ยจำวัด ลูกิก e ็ไม่พอใจมีคนมงพูดาว่าเนี่ยเดินไม่เกรงใจมีเสียงดังจังหลวงปู่ท่านหลับตาแต่ท่านไม่ได้หลับไปด้วยท่านดตอนที่เช่อเนี่ยก็เลยเปิดขึ้นมาว่าเขาเดินเขาดีดีเราอุตาระเพียรเขาเองแต่ว่านั้นเราเสียงเพียรไม่ใช่ปัญหาปัญหาอเราอุตกอรเทียรอุตการเพียรเาอไปเพราะว่า ใจม่มีสติมันก็ไม่ต่างจากเวลาข้างนี้ต่อตะปูอดีเสียรกึงกึงึงๆึงงงง่เราอยู่อยู่ในเถวนั้นหลายคนกรสุนมงนม่งกินเพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่าเสียงตะปูเสียงต่อตะปู แต่เป็นเพราะเราหูไปลองคอ้อนเองตํางหากโอ้โหไปลองคอ้อนเพราอะไรเพราะไม่มีสติหรือเพาเอาใจไปจ ด, ดจอ่อแปลรลนะของที่เราไม้ชอบเนี่ยจ ด, ดจ่อแล้วมันก็ทุกข์อยู่ดีแต่เรามักชาติเอาใจไปจ ด, ดจจอยอยู่กับตรงนั้นเวลาแดดร้อนเนี่ย เราก็ไม th ่ชอบแต่นะแต่พออากาศร้อนแดดร้อนใจมันไปจดจ่อตรงนั้นเลยไอ้ตงที่มันร้อนแลเป็นงานุกทุกไม่ทุกข้แดร้อนแต่ทุกข้ใจเนี่ยไปจดจ่อตรงนั้นเวลาปวดเวลาเมื่อยไนะมันเป็นความทุกข์ใแต่หลายคนเนี่ยจะทุกข์ใจด้วย โดยไม่รู้ตัวทุกใจแสดงอาการด้วยความมึมนงงกระสบกระสายใ น, ในใ จ, ใจิตใจเพราะอะไรเนระาเคยบอกว่าเป็นเพราะปวดเรื่อยเท้าเมื่อยขาไม่ใช่หรอมันเป็นเพราะใจเราเป็นจดจ่ออยู่ต้องความปวดความเมื่อยความกดความเบื่อไม่ชอบ แต่ทำไมเราเกิดจอดมาแล้วทำไมเราเป็นยึดยึดลราเป็นทุกข์ไมเป็นทุกข์แล้วจะโทษใครนี่เรื่องวางใจที่จริงๆเนี่ยในตอนที่เราเกิดจอเนี่ยนะมันมีแนวการหมุนตามมาด้วยคือความรู้สึกไม่พอใจความรู้สึกอายากผักใย ให้ความอยากผักสายนม่หลับคือตัวกลางเสียงดังไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่ใจที่ไม่ชอบเสียงนั้นใจที่อยากผักสายเสียงนั้นสำาราับความเฉยเวางใจเป็นกางไม่มีความไม่มีความติดใจนี่เรื่องเราว่าสมัยที่ หลวงพ่อชาสุภัสโตยัง ม, มีชีวิตอยู่ที่คั้งนึ่งเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยมีมหมอรสมก็จะเป็นงานสมนะชาว บ, บ้านอีสานเนี่ยถ้ามีงานศพก็จะมีมหมอรสมทั้งวันและั้คืนต้องคืนเนี่ยนะก็มีเสียงกันทั้งหมอรำ หลังกลางแปลงหรือว่าลูกคุ่งแทงลูกคุ่งจ น, จน 3, 4, 4, ถึงตีสามตีสี่พระไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยก็มีก็เลยมีาการลัดคุยกันแล้วตกลงกันว่าให้ตัวแทนพระเนี่ยไปคุยกับผู้ใหญ่้าชว่าหมอเราสบสลางคืนเนี่ยขอให้เหลือ ถึงแค่ดีได้ไหมถ้าจะได้นอนหลับ2ชั่วโมงดีสามความวัดได้นอน2ชั่วโมงนี่ก็ยังดีชาวบ้านไม่ยอมพระก็เลยไปหาหลวพชาหวังเป็นที่ตึ้งสุดท้ายและคิดว่าหลวอชาเป็นเหตุด้วยเพราะท่านก็ไม่ชอบให้มีมมเสียงมุ่นวายที่มันสิ้นเพลื อ, อ, อหงนทองอยู่แล้วด้วยตอนข้อชาเนี่ยไปพูดกับชาวบ้านว่าขอให้ อเาศบกคลคนะืน้เริบบเ่มตีนะ่เพราะว่ า, นะาถึงขั้นหลวงพ่อชาปฏิเสธและท่านก็บอกว่าเสียงดนตรีเไม่ได้รบกวนพวกท่านพวกท่านต่างๆาที่จะรบกวนเสียงนะหมายเขายางไรนะครับว่าที่ท่านทุกเนี่ยนะที่พระทุกเนี่ยเป็นเพราะพระเนี่ยใจของท่าเนี่ยไป เป็นทะลาะเ บ, บาแว้งกับเสียงนะเสียงก็เป็นธรรมดาของมันแต่เป็นเพราะใจเปเขาเป็นตลอะใจผักใสเสียงนะั้นใจที่ชัางใจที่ไม่ชอบนะี่แหละที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจคือไม่ใช่เพราะเสียงพวกเราคงทราบดีนะว่าลิงเนี่ยมันไม่ชอบปกติเลย สมมติในไทยแก้นะแก้งมันโยนเข้าเห น, านียวยัดไส้กะปิให้มันเนี่ยนี่แล้วก็ดีใจกอบ ก, กัดต้ากัดกินข้าวเหนียวชอบกัดกินต้นเพราะว่าไส้กะปิเนี่ยก็ไปถุงนิ้วถุงมือมันดีไม่ชอบกตปิมันทำไงมันก็จะถูเอามือถูกับหินเอามือถูกับต้นไม้เหลือไม้เพื่อให้กินหมดไป ถ้ากินยังไม่หมดมันก็จะถูถไปตรงข้างหนังตลอดกินยังอยู่ก็ถูไปตรงข้างเลือดไหลถ้ากินยังไม่หายี่จะถูไปตรงข้าแผลมีบวอร์ขวางน่าสงสารคําถามก็คือว่าดิงมีแผลดิงเลือดไหลเพราะอะไรถ้าตอบเรากับปินเนี่ยผิด น, นะก็ปีไม่ทำให้ดิ้เลือดไหลหรอก แต่ความเกลียดกติรำคาญความเกลียดกติทําไมนิ่งเลื่อนไหลกติมันไม่ได้ไม่ใช่เป็นแก้วไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นตะปูที่ทําให้ดิ่เนี่ยเลื่อนไหลความเกลียดกติความเก้ยกียดกติไหลอยู mm ่ในใจความเกียดกติกกทำให้นินในใ่เงเ น, นี่ยเป็นฟุบไม่ว่าเสียงก็คือความร้อนก็ดีนะความเจ็บควา ม, วามปวดรอปกระจายภายนอกเนี่ย จริงๆแล้วมัาไม่ทำให้เราทุกใจแต่ใจที่ผักใสใจที่ได้ชอบต่างหากที่ทำให้ทุกผู้ยจะรู้ว่าเมื่อตาตามพิจารนาให้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกใจมันอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนตกด่าร้อง รถติเราต้องใจเข้าใจปฏิเสธผักสายใจไม่ยอมเราไม่ต้องพูดถึงความเจ็บความป่วยความเป็นความป่วยโดยเพราะไม่ใช่แค่หวาดไม่ใช่แค่ปวดหัวมทีเป็นอะไรหลายคนเนี่ยช่วใจเพื่อพ่อตัวเเป็นอะไร แต่ที่จริงแล้วเนี่ยมะเร็งไม่เคยทําให้ทุกใจมะเร็งทําให้ท่นทุกการแต่ที่ทุกใจก็ไม่ยอมรับไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นมะเร็งไม่ยอมรับโรคมะเร็งตรงนี้หลักฐานที่ทำให้ทุกใจมีเพียงคนหนึ่งเจอศึกษาอายุ30ต้นๆเพราะว่าตัวเอเป็นมะเร็งกับพาอปสาัสสาวะ หมเนี่ยทีแรกไม่เชื่อเพราะเธอเลือดน้อยแล้วก็บันไดเอชอรีนนี้เนี่ยที่เธอเป็นเนี่ยมันเกิดขึ้นมันมักจะเกิดขึ้นกับคนแก่สุดท้ายหมอเขยอมรับหมอให้ถามก็สูตรปริมาตไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าที่ยังน้อยแต่ว่าเป็นบันไดเอชอรีนนี้แสดงว่าคงมีพฤติกรรมเสีย่ยงต้องไม่เคยเสีส่ยง ตอนที่เธอรู้ว่าเธอเป็นอะไรนี่เพราบัต ส, สวันิทนี่มันปวดเธอทุกขมากเลยนะเธอทุกขมากแต่ผ่านไป1ปีเนี่ยหลังจากที่ได้ทำสมาธิภาวน า, าได้มะเรียนรู้นึ่งกายในใิ่งใจใจเคยกระสมงที่เคยดีเคยเหียงหมอพยาบาลและคนรอบข้างเธอก็นิ่งลงเธอเพิ่มไม่น่าสนใจ พูดจากประสบการณ์ของเธอเธอบอกว่าความคิดนี้บางครั้งโหดร้ายแต่สิ่งที่โหดร้ายกว่าคือการขี่เราละเมิดจิตเร็งเนี่ยทำให้ทุกข์ใจแต่พอเราไม่ยอมรับเป็นเม็งนะย้ำผักใส่ตีโวยวายทุกข์ใจเธอพู้อย่างไม่ดีนะบอกว่า มาเรงก็เคยทำให้รอยยิ้มคุณหายไปแต่ความพุกใจต่างหากที่มันทำมาเรงเนี่ยไม่ทําให้ความไม่ได้ทาให้รอยยิ้มคุณหายไปแต่ความพุกใจต่างหากที่มันทําและอะไรทําให้ตุกใจไม่ยอมรับมันเกิดขึ้นแล้วถ้าเราไม่ยอมรับเราก็ำลังซ้ําเติมตัว แทนที่จะปวจ่วยกายกระเสืดใจ่ต้องสังเกตดูในเวลาเราทุใจไม่ว่าเวลารถติดเสียงดังหรือว่าอาหารแม่เราเป็นเพราะเราไม่ยอมรับแม้ก็ทเวลาเจ็บป่วยปวดเมื่อยอันนี้ที่เรายอมรับปุบนี้มันหายเลยเพื่อตสมาชิกทุกท ไปเข้าคอร์สนะกรรมฐานของสำนักปุยิกาการปฏิบัติแบวนี้เนี่ยต้องนั่งกันลาภาวนาเนี่ยสิวันเราต้องนั่งติดต่อกันหลายชั่วโมงในแต่ละวันเธอไม่เคยปฏิบัติแบบนี้แค่ 3-4 วันได้ก็คทรมานวันที่4วันทีให้คทรมานมากกลัวก็ยังคน แต่ยิ่งทั้งลานแย่ยิ่งปวดมากขนาดนั้นรู้สึกเมืออว่าประตูที่มันจะดูกันกับกันทอร์นาจะเลิกเรื่อไม่ได้เหงื่อออกตัวยี่สั่นเลยนะมันือความสุนทรจะตายแล้วเนี่ยมันต้องตายแน่เลยฉันทำคำต่อไปแต่ที่ประตูนึงเนี่ยมันมีความคิดพูดุ่งขึ้นมาว่าตายก็ตายแล้ว พอแค่ลึกขึ้นมาได้ว่าตายก็ตายนพราะว่าจิตที่มันสงบในนั้นความปวดจริงๆอยู่แต่ใจมันสงบความกวดมันหายไปไหนความผูกใจอยู่แต่ใจสงบก็ราะอเพราะยอมรับได้ไอ้คําว่าตายก็ตายว่าแสดงว่าอะไรว่าใจมันยอมรับตายก็ตายว่าพอใจมันสงบแล้วมันนิ่งเลยถ้าพอใจยอมรับได้มันสงบเลยแล้วพอสงบแล้วเนี่ยนะ มันเลยแต่ความคุกกายความคุกใจหายไปเนี่ยที่อาจารย์พูมาทั้งหมดเนี่ยนะก็เพื่อที่จะเห็นว่าความคุกใจคนเราเนี่ยมันเกิดจากความคิดและวางจิตไม่ถูกมองไม่เป็นมองไม่เป็นเรื่องการมองลบมองลบที่ใช่อะไร เพื่อนมาคนหนึงเนี่ยเป็นนักเล่นหุ้นแล้เกเกวเล่นเก่งมากอาช่อเล่นคุณนโดยตรงจะเล่าว่าตอนนี้ไปเจอคุณป้าที่ตลาดหุ้นคุณป้า น, านี่ไาตลาดุทุกวันเพราะตอนนี้อาชีพเดียวกันคือซื้อถูก ข, ขายแพงคุณเป็นเพืนคุณป้าแกก็เล่าว่าเมื่อสองสมวันกอ่อนแกขายหุ้นเป็นรอ็อตใหญ่ล็อตหได้กำไรส10ล้านบาท สิลบล้านบาททีกำไรนะกำไรเน็นๆเพื่อจะมาพู็บอกว่าขอแซงทางนี้คนระับคุณป้าคุณป้าบอกบินดี้อะไรหลักถ้าฉันขายขวันนี้ฉันได้กําไรแล้ว20สล้านคุณป้าได้สิบล้านคุณป้าไม่มีความสุขคุณป้าไม่ดีใจเพราะอะไรเพราะคุณป้าไม่ได้เกื่อเติมได้10บล้านคุณป้าเกื่อเตินเสียสล้าน ได้โชคได้ลางนะแต่พ็ยังทุกข์นะเพราะความคิดวางจิตไม่ถูกพอคิดไม่ถูกนะมองไม่เป็นนะได้แปลว่าเสียได้สิบล้านก็คือเสียสิบล้านวันนึ้นเื่ป้ายาก็ไม่มาที่ตลาบคุณนเหมือนเคย เพื่อ น, มนมามีใขาบ้าา m a t i n g คุณป้าหายเป็นไรได้คา ต, ต, ตอบคุณป้าเข้ารงพยาบาลนะเข้าโรงพยาบาลท่อนเลยต้องเรียที่ได้สิล้าเป็นเพราะความคิดแคบๆเลยนะเรามม่คิดว่าเราทุกเพราะเรายังได้น้อยแต่จริงเนี่ยสิบล้านยังไม่น้อยนะแต่พ่อ้องไม่เป็นเนี่ย มันก็เลยการเสียไปเราเคยทุกข์แบบนี้มั้ยมองไม่เป็นอันตมาเคยนะไปบรรยายที่สวนโลกอัตมาก็มักจะเขียนหนังสือเมือนที่เตรียมมาวันนี้แต่ว่าคราวนั้นเนี่ยเตรียมมาน้อยคนมาฟังเยอะเหมือนมันนี้เหมืนกัน อาตมาก็เลยบอกว่าของที่เตรียมมามีน้อยนะเพราะนั่นบางตนอาจจะไม่ได้ว่ารลกอาตมาก็กินหนังสือมาพอแล้วก็แจกให้ทุกคนหนังสือ่บขนาดประมาณฝ่ามือคนที่ได้ก็ดีใจบนทออาตมาก็เอาอีกคอนึ่งขึ้นมาคราวนี้หนังสือมันเล่มขนาดนี้มันไม่ใช่เท่าฝ่ามือนะ คนที่ได้ข่าวแรกเนี่ยพอเห็นว่าหนังสือที่แจายรุ่งหลังนะมันเล่มใหญ่กว่าที่ เ, เคยได้เสียใจเลยนะนี่คนรมาขอมาถามเราบอกขอสมาว่าขอเปลี่ยนเล่มไหมจากเล่มเล็กเป็นเล่มใหญ่จะไม่ทันนาเลยแต่เน้เล่มใหญ่เนี่ยดีกว่าเล่มเล็กและถ้าสมาไม่ให้เนี่ยไม่เปลี่ยนให้ในทุกข์นะแทนที่แกดีใจว่าฉันได้หนูไม่ได้ แกกับเขาว่าแกเสียนะไม่ได้เล่นใหญ่นี่ก็เป็นคนสนใจธรรมะแต่คนสนใจธรรมะไม่ได้แต่ว่าจะมองผูกมองเป็นเสมอไปฉนั้นสูงนะคืว่าคนเราเนี่ยทุกทุกใจข้าความคิดความคิดที่เป็นลบ ความที่ที่ไหลไปอดีรลอยไปอนาคตความที่ที่ชอบกรุงแต่งมโนจนทำให้เกิดความวิตกกตังวลรวมทั้งการวางใจผิดชอบผิดติดในสิ่งที่ไม่ชอบแล้วก็มียการขาดสายไม่ยอมรับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้เช่นี้เนี่ยทำไงเราจะทําให้ความทุกข์ใจหมดไปคําตอบคือต้องรู้ทันความคิดเวลามันคิดหลายไปดีรู้ทันเวลาใจมันลอยไปนัพ้นมันไป ว, น ว, ง ว, ง ว, งวุกังวลว่าเนี่ยถ้ารถติดแบบนี้เนี่ยไปโรงเรียนสายส่งลูกไม่ทันจะไปประชุมสายส่งเครื่องบินให้รู้ทัน รู้แล้วก็ว่าความคิดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งเลียนายนที่จริงแล้วความคิดที่ดีๆมันก็มีเยอะแล้วเราก็ใช้ความคิดเนี่ยในการแก้ปัญหาชีวิตและการทํา ง, งานหลายครั้งความคิดเป็นเครื่อ ง, องมือที่มีประโยชน์แต่ถ้าเราปล่อยให้มันเป็นนายเราปล่อยให้มันควอบความคิดนี่เราทุกข์นั่นความคิด เป็นบ่าวที่ ด, ดีแต่เป็นนายที่เลวถ้าเราใช้ความคิดเพื่อประโยชน์แต่ถ้าเราปลให้ความคิดมาใช้เราเราพูดเราปล่อยความคิดใช้เราอยู่บ่อยๆนะเราจึงนอนไม่หลับเราอยากนอนเราอยากหลับแต่ความคิดบอกว่เอ๊ยอย่าเพิ่งหลับขอคิดต่อนะเมื่อวานไอ้หมอนักด่ดาเรานะ หรือว่าเมื่อก่อนนอนมีข้อความที่มาเม้น์เราไม่พอใจความที่บอกขอคิตออดต่อขอโกรธต่อนะมันใช้เราเนะแล้วเป็ น, ง น, นไงเรานอนไปหลับแล้วคนที่ซึมเศร้าเนี่ยนะเดยเพราะถูกความคิดใช้ บางทีมันดึงจิตให้ไปจมอยู่กับคดีเรื่องเศร้าเรื่องโศกวกไปเยียนมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนบางคนเนี่ยคนไม่ไหวหาทางออกไม่เจอทำอยังไงนะทำไงใจความคิดเนี่ยมันดุพรมานมาหลายคนก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายมันจะได้หยุดที่สักทีจริงๆแล้วแต่ความคิดมีประโยชน์ แต่เป็นข้อรเราไม่รู้พันความคิดมันก็เลยมามีอำนาจเหนือนเรานั่นคือข่าวร้ายแต่ข่าวดีคือเราสามารถจะรู้พันความคิดได้ถ้าเรามีสติรู้พันความคิดก็ครอบงำิตใจเราไม่ได้ทุกวันนี้เนี่ยเราก็มีสติพันอยู่แต่ว่าสติของเราออก มันไม่มีความไวความเร็วพอที่จะรู้ทันความคิดที่ททตุ้แตกแต่ถ้ารู้ทันความคิดเมื่อไหร่เนี่ยใ้ความที่เราดัน้งอารมณ์ที่มันบงการครอบงำใจมันจะหายไปความคิดที่มันฉลาดนะอารมณ์ก็ฉลาดนะมันมีอํานาจมากสามารถจะครอบงาใจเราได้มันสั่งให้เราทำอะไรต้องหลยย้ยาง มันสั่งให้เราคิดคิดคิดคิดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับมันพยาามหาเหตุผลเพื่อจะบอกว่าเราต้องโกรธ แ, แล้วมันกลัวเราต้องดา่ามีคนนึงนะแกะโกรนะแล้วแกก็ดา่าแต่ก่อนที่แกด่ามันมีความคิพทวงมามาาาขงึ้นมาบ้างพ่จะด่าเพิ่มนะจะสุดท้ายแกบอกว่า ต้องรีบดา่าก่อนที่ความโกรธหายไปแปลงนะต้องรีบดา่าก่อนที่ความโกรธจะหายคือถ้าความโกรธหายนี้มันด่าไม่ออกแต่ว่าไอ้ชือกมันต้องดา่านะถามว่าใครสั่งนะไอ้ความโกรธมันสั่งความเศร้าันก็สั่งเวลาเราเศร้าแล้วก็ซึมไม่อยากไปไหน ใครมาชวนให้ไปเที่ยวก็ไม่ไปนะจะพอเศร้าเจ้าชู้อย่างนั้นแล้วมันก็มีเหตุผลนนะที่จะความเศร้ามเผลให้เราเนี่ยเจ้าถูดนั้นเะพื่อมาชวนไปเที่ยวความเศร้าบอกอย่าไปนี่เพื่อตามมานะดีย๋ยวเราว่าื20ปีก่อนเนี่ยได้จดหมายของเพื่อนชายเึื่นเธอแอบรัก แต่ว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีใจเคยอย่างนั้นจนหมายมันบอกเธอก็อ่านแลว้วก็เศร้าซึมเพราช่วงเดียวกันเลยเนี่ยเพื่อนกลุ่มใหญ่เนี่ยมาหาสี่ห้าคนมาที่บ้า น, น, นบ้านปีเกเลยกดกดกริ๊ดเรียกแล้ว ป, ประโกอว่าเนี่ยชวนไปเที่ยวพอเธอไี่เสียงเพื่อนนะเธอฉุนเลยนะนึกขึ้นมาในใจ เวลาจะสุขก็ไม่สมหวังเวลาจะทุกข์ก็ยังมีคนมาขัดขวางอีกอยากจะทุกข์อยากที่ต่อไปใครสั่งความเศร้ามันสั่งเพราะถ้าให้ทุกข์เพ้าะถ้าไปเชื่อความเศร้าจะหายมันไม่ยอมความโกรธเหมืนกันนะความโกรธมันสั่งให้เราโกัวต่อไปนีใครมาแนะนาว่าให้อภัยก็ไปเ่เถอะความโกรธจะสั่งแล้วว่าอย่าให้อภยัยแถมบางที สั่งให้เราดาคนที่มันแนะนำแบบนั้นเพราะว่าถ้าเราให้อะไรเป็นไงความโกรธมันจะหายแล้วมันทนไม่ได้ที่มันจะหายไปจากใจมันฉลาดมากแต่ว่าจุฬาพุทธมันอย่างนึงนะความเศร้าความโกรธความสุดสิ้นเนี่ยคือมันครัวถูกรู้ทันเมื่อใดก็ตาที่มีสติรู้ทันมันหายไปเลยมันยอม กดคมยังไงเนี่ยมันไม่หายนะแต่รูทันเนี่ยมันขายเคยมีคนถามลุงปู่ดูลว่าลุงปู่ทำไงจะตัดความปวดเท้าขาลุงปู่ปูส์ตอว่าไม่มีทางตัดเท้ขาดได้หรอกมีแต่ลูทันมันเพราอรูทันมันมันก็ดับไปเองอันนี้เป็นเป็นหลักปฏิบัติที่ได้ผลนะ หลายนเวลาเจอความขวบยางขบคมมันย า, ยามปฏิเสธผักสายมันทันยีงงั้นมันยังมีกําลังแต่เพียงแค่ลูกทันเนี่ยมันหายไปนี่เพียงคนหนึ่งนะเธออยู่กับสามีมาสิสอ ป, ปีนะแล้ววันหนึ่งเราว่าสามีเนี่ยนอกใจแล้วโกรธมากไปนะั้นเธอเคิดว่าคงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอถ้าอต้องอยู่คนเดียวแต่พราะวมีสามีพฤกรรมแบบนี้เธอเลิกเป็นนะั้น แล้วเธอก็แปลกใจว่าเธอสามารถจะอยู่ได้คนเดียวอดทนด้วยไม่ได้หลังจากนั้นเนี่ยสองสามวันที่เธอไปเข้าคอสปฏิบัติธรรมประมาณเจ็ดวันเธอเคยเข้ามาก่อนแต่คราวนี้เนี่ยมันไม่สงบเหมือนเดิมวันแรกเธอก็รูมร้อนรุมร้อนทั้วันเลยวันที่สองก็ไม่หายรุมร้อนอีกวันที่สามเนี่ยก็ยังเป็นเธอไม่รู้จะรเกิดอะไรขึ้น เธอเคยคิดว่าเธอทำใจได้ด้วเรื่องสามีหรือการอยา่าการแยกกันแต่ปรากฏว่ามันเร่งงานมือมากวันที่4เนี่ยแทนที่เดินจมครบเนี่ยเธอเอาลุภาษาไว้ที่มือมือนย่างเนี้ยเดินไปชั่วโมงมันเหนื่อยเ่เมือ่อยเธอก็ปล่อยมือก็อไปนเรื่องสบายไอ้ชวนนั้นเองเนี่ยที่ใจเลยก็เกิดสว่างว่ากและโปร่งตาว่านบบาทนทีน อตอนตอนั้นมันได้คิดเลยว่านะว่าปล่อยเมื่อไหรสบายเท่านั้นเพราะปล่อยมันคืสบายกายเธอรู้เลยว่าเป็นเพราะแตะเอาไว้เธอจึงทุ้เพราะนั้นเนี่ยมันเห็นเลยแล้วต้องปล่อยการที่เธอรู้ทันเธอไปรู้ทันเลยว่าอันนี้มราเป็นดุจมือถือเป็นดุจสามีชื่อมห า, าเป็นแล้วในช่วงขณะนั้นเองที่เธอได้เห็นเลยว่าจิตเนี่ยมันไปนหลงจมอยู่กับมือถือ และทำให้เกิด ค, ความเศร้าหรความรุ่มร้อนพอเธอรูปทันพุ๊กทกี่มันวางเลยนะมันหายไปทันทีเลยจิตนี่สงบเบาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะทําใจให้หายคลุกนะสั่ ง, นะงทำทานอย่างนึง น, นะก็คือการที่มีสติรู้ทันและสติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะอุทธรณ์ให้เกิดมนขึ้นได้เองนะ ไปเก้าวัดไปเก้าสิบวัดสติก็ไม่ดีขึ้นจนกว่าเราจะสุดเพื่อการเจริญสติเสมอไม่ใช่เจริญสติเฉพาะเวลาเข้าวัดไม่ใช่เฉพาะเวลาเข้าคอสแต่ว่าพยายามมีสติรู้ตัวในชีวิตประจำวันหลายคนเนี่ยมาเข้าคอสปฏิบททัติธรรมแต่พอออกไปข้างนอกทีแรกก็ปฏิ บ, บัติสงบออกไปข้างนอกกลับไปบ้านกลับไปทํา ง, งาน โกรธหลายเปมนัญหาตลอดทำไมเข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู่บ่อยๆแต่ยังโกรธก็เพราะว่าเวลาไปปฏิบัติธรรมเราไม่ได้สุดการเจริญสติเราคิดแต่จะไปกดคันไปเท่เพื่อจิตมาสงบไปบังคับจิตให้มันคึกให้มันฟุ้งให้มันไม่ให้มันฟุ้งลมแตกและเวลาเราเท่งเราเพ่งอย่างไรเราเพ่งกับลมหายใจเราเพ่งกับท้งบอง มันเป็นอารมณ์ตรงกลางมันไม่ช่วยให้เรามีจิแต่พอเราไปเจออารมณ์ที่มันเป็นลบคำต่อว่าดา่าทอแดดรอ้รอนรถติดไอ้สิ่งเรานี่เนี่ยมันเป็นลบถ้าเราไม่รู้ทันใจกับเพื่อแล้วพอใจกับเพื่อแล้วเราไม่รู้ทันใจที่กับเพื่อแล้วก็เข้ามาครอกงารจิตทาให้โกรธแต่ถ้าเราลุก ม, มันสุดเจริญสติเสมอเราจะรู้ทันดั้นเวลาเรามาเข้าก้องเนี่ย ก็อย่าลืมการฝึกให้ฝึกใจให้มีสติรู้ทันความที่และอารมณ์เมื่อมันเกิดขึ้นก็อย่าไปหนีลางคามองว่ามันกําลังมาสอนให้เรารู้เท่าทันทุนี้มันมาเพื่อทําหน้าที่สอนเราให้เรามีสติรู้ทันจะ่าไปตวมม่วจความผู้สร้างจะ่ไปหนีความผุ้สร้างเข้ามาเลยเพราะนี่คือครู แล้วถ้าคุณวางใจนี้ได้เนี่ยเวลาไปออกไปข้างนอกกลับไปบ้านกลับไปที่ทำงานอยู่บนถนนเจอเซนต์ทึ่ึ่ครงเจอคนไม่น่ารักเจอคนที่พูดไม่เพราะแล้วก็ขอบคุณเพราะว่าเขากำลังสอนเราฝุณสติรู้เป็นกันบ้านที่ยากขึ้นกว่าเวลามันจะเป็นคอสินวัตนะแต่เราจะต้องไปรอให้มีสติรู้ทันกับอารมณ์เหล่านั้นเราต้องฝึก ก่อนเวลาตื่นนอนขึ้นมาจะทำอะไรก็าตามล้างหน้าแปรงฟันเก็บที่นอนให้มีสติให้มีความรู้สึกตัวอย่าเพิ่งไปรีบเปิดโทรศัพท์มือถือหลายคนเนี่ยนะตอตื่นนอนขึ้นมาเช็คโทรศัพท์หรืเอเปิดโทรศัพทว์ว่ามีไลน์มีข้อความเข้ามาไหมแตบบ่สิปอร์เซ็นตคนที่ใช้สมาร์โฟนเวลานี้เนี่ย จะเปิดจะใช้ข้อความภายในเวลา15นาทีเพื่อห น, อนะอ น, ห, นหรือเร 80% นะเราเป็น1ใน80หรือเ่าหรือเราเป็น1ใน20นะลองสุ่มแ้วเป็น1ใน20นะคือว่าอย่าเพิ่งเปิ ด, ปดอย่าเพิเ่งไปอย่าเพ่ไปดูยาดีความสุขตัวกับการทำกิจวัตรประจาวันเวลาทำคตัวให้ลูกก็ อ, อย่าพูนน่งไปนึกเรื่องงานเรื่องการหรือเวลาอนาบน้าก็ อ, อย่าพู่ไปนึกว่าวันนี้จะทาอะไรให้ลูกทีน เวลาอา น, น้ำก็อยู่ความรู้ตัวรับรู้ความสดชื่นกับของกายที่มันทําให้ใจมีพลอยสดบานไปด้วยเวลากินข้าใจก็อยู่การกินข้าวจะเพิ่งไปคึกว่าเดี๋ยวจะทําอะไรข้างหน้าทุกวันนี้หลายคนเนี่ยทําแล้วก็ตามใจมันจะคิดไปข้างหน้าอาบ น, น้าก็คิดว่าเดี๋ยวจะทำอะไรเมืกินระวางที่ทําตัวก็คิดไปแล้วว่าเดี๋ยวประชุมตอนบ่ายที่ทํางานเนี่ยก็จะ เราจะเสนอนอะไรเป็นเส้นอะไรอย่าคิดข้ามขอบ ย, ยามอยู่กับปัจจุบันเพื่อให้เพื่อสึขสัสและแน่นอนมีความคิดพุกขึ้นมาเราก็รู้ทันความคิดไม่ใสิ่งเสียหายสิ่งสงาคัญคือให้รู้ทันและรู้ทันแเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์หลายคนีปเข้าใจเดยรภาวนาเนี่ยจะพยายามควบคุมความคิดอันนี้ผิดนะ เพความคิดมันควบคุมไม่ได้านทจงจิตมันเป็นอนัตตาแล่เล่าภาวนาเพื่อที่เราจะไม่ให้ความคิดมาควบคุมเราต่างกันนะระหว่งวางภาวนาเพื่อควบคุมความคิดกับภาวนาเพื่อไม่ให้ความคิดมาควบคุมเราหมายความว่าความคิดเนี่ยมันจะมาข้ามาแต่มันทําอะไรจิตใจเราไม่ได้ ทำได้ไงก็คือการรู้ทันมันเกิดขึ้นเพราะกค่เห็นมันเห็นมันรู้ทันมันยอมรับมันอย่างที่มันเป็นเพราะที่ความโกรธเกิดขึ้นความมีเกิดขึ้นนักภาวนาหลายคนจะมึนงงมากเลเพราะว่าทักษาภาวนาเราทำมาทำไมถึงมีความมึยอมรับมันนะถ้าเรายอมรับมันมันก็จะค่อยมันเทาเบาบางหายไปความหุนห้าเกิดขึ้น อันนั้นไม่ใ่ปัญหาปัญหาคือความไม่ชอบฟุง้งซ่านหลายคนพรนาห้นาทีก็ไม่เอาแล้วบอก ว, ว่ามันฟุ้งเหลือเกินหลายคนจะเริ่มมองดูใหม่เขาปวดตะมาว่าเนี่ยทำไมพานนาแค่ห้านาทีาทําไปทําแล้วบอก ว, ว่าเนี่ยมันคุ้งมากความคุ้งเนี่ยไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือใจที่ไม่ชอบฟุง้งซ่านและทําไมไม่ชอบฟุง้งซ่านเพราะว่าไปหวังให้จิดสงบความยึดความอยากที่ ม, มันสงบ ถ้าที่คุณไม่ค่อยไรเลยอย่าให้จิตสงบนะอันนี้เรียกว่าหวังเกินจริงคาดกันไม่เกินควรยอมรับมันก็มันเป็นธรรมดาแล้วถ้าคุณยอมรับเขาว่าอารมณ์ที่มันฟุ้งเข้ามาในใจได้แต่ไม่ตกแนารักมันแม่น้ำข้อมำควบคุม จ, จิตใจต่อไปเวลามีสิ่งสิ่งผลกระทบข้างนอกรูปรสกลิกกก่นเสียงที่มากระทรบตารูุ้้งอิงร่ากายหรือว่าความเาป็นความปวดที่มันกระทรบ ตายเราก็วางใจเป็นกลางทำได้แผงจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้ด้วยใช้เพื่อสุราที่มีสติใช้เพื่อสุราัญญาอาตอมาอยากจบนะด้วยเรื่องที่น่าสนใจนะที่ว่าทำกองเทนของหลวงปู่ขาวอนาเลโยสมัยที่ท่านมีชีิอยู่เนี่ยมีให้ชีคนชื่อแม่กีสาแม่กีสาเนี่ยก็เป็น แม่ชีทิ่ปฏิบัติอยู่ประธานท่านเลีนดีมากและปฏิบัติก็ดีด้วยวันหนึ่งแม่ชีสาวันหนึ่งหลวงปู่ขาวเนี่ยเรียบพาสองรูปมาแล้วก็สั่งให้ไปด่าแม่ชีสาทั้งสองรูปเนี่ยรูปหนึ่งคือพระอาจารย์ชวนบริเทชโผล่ตั้งก็แปลกใจนะแต่ครูบาอาจารย์สั่าก็ไปไปที่คุณติแม่ชีสารียแม่ชีสามา พอไม่ลลมีสามัคกดาเถัดกันดาได้ชีศาที่แรกก็งงนะแต่ว่าตั้งัิส์ ก, ส ก, ก็ขนมมือรับฟังอย่างสงบพอต้องสองขั้นเนี่ยถักกันดาตรงนี้จะดาอะไรนะก็หยุได้ชีษาแารที่จะโปรโหรือแทนที่จะต้องด้สั่ใจว่าเราทมดีเั้นคือบาจารย์ไม่เห็นทำไมคือบาอจารย์มาว่าเราไม่ว่าคนนั้นคนนั้นแล้วก็เกิดตนรู้ว่าเราถูกบาอาจารย์ด่าเราจะเอาหน้าไปสูที่ไหน เรากิดบบนีทุกเรนนะเมื่อกตั้ใจเราเป็นอย่างนี้บ้างไหมห้จีสาไม่เป็นนะไอสาเนี่ยปองผ้าพูดจบไ้จีสาพูดมาว่าพราอาจารย์ดาจบแล้วเหลอตีฉังก็ทราบขึใจกันเธอเสียงด่าเป็เสียงธรรมาทัช่วงเลยตอนน้าที่มันมาด่าว่าใหม่นะปีเล็ไม่ได้หมดสักที กิเลสจะได้หมดสิ้นนี่แสดงว่าอะไร แ, ว, แว่าคนเราไม่อด้กกดทุกข์ถ า, าถูกด่านักศึกษาต้องคนเราทุกข์เพราถูกด่านษาต้องทุกข์นะแต่นัีษาวางใจอยู่เพราะฉะนั้นเสียงดาเนี่ยทำอะไรนักศึษาไม่ได้แต่นักศึษาเนี่ยฉลาดพอที่จะเอาเสียงด่ามันใช้เป็นย เ, เอามาใช้ทำอะไรเอามาใช้ขูดกิเลสเอามาใช้ขูดอัตตานะ และคนฉลาดนี่นะนอกจากลูกลก็กลิ่นเสียงที่เหตดศาสตแหลงคมจะทำอะไรจิตใจไม่ได้แล้วเนี่ยยังสามารถแช้มันเป็นประโยชน์ในทางธรรมไม่ใช่เพื่อทางโลกและถูกบอกว่าคนเราเนี่ยทุกใจเขาความคิดและเราสามารถจะเพ้นทุกได้ถ้าเรารู้จักเข้าทันความคิดคือมีสติและยิ่งถ้าเรามีปัญญา เราก็สามารถจะใช้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในใจเราและที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายของเราให้เป็นประโยชน์คนที่ฉลาดเนี่ยก็สามารถเรียนธรรมะจากความโกรธความทุ้น์ซาความเศร้าได้เห็นธรรมที่มันแสดงก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาและจะขอบคุณความโกรธขอบคุณความเศร้าขอบคุณความทุกข์ เพราะมันกำลังแสดงธรรมให้เห็นมันเกิดขึ้นในบ่อเราต้องฟุบงเพราะเรารู้วิธีที่จะไม่ให้มันมาควบคุมใจเรารู้วิธีที่จะไม่ให้มันมาเผาลวน ถ, ถี่คั้นขิ้นทแทงจิตใจเราเพราะมีสติและปัญญาไม่ว่าสิ่งนั้นเป็นอารมณ์กุศลที่เกิดขึ้นในใจหรือเป็นอารมณ์ภายนอกที่มากระทบกับตาหูจมูกลิ้นใจของเรานเพราะฉะนั้นยันก็อยากจะฝากเอาไว้นะในที่นี้ว่า ที่จแล้วนะไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขใจได้แม้บางที่จะไม่สุขใจแต่สุขใจเกิดขึ้นตลอดไปเสมอแม้จะป่วยใจแต่ว่าใจก็เป็นปกติหรือสุขได้ก็ขอให้ทุกท่านได้ได้รับอนุสงแห่งการปฏิบัติธรรมจนกทั่งสามารถที่จะชน ะ, ะความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจได้ที่สุดที่ก็ขออ้างคือพระเสด็จรัตนาฏไก อ, อํานุน่วยผลให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวันน่าสุขสาระเพื่อเป็นข้าบัใจจัยในการทําความดีไม่ถึงพร้อมด้วยทานศีลภาวนาขอให้ปัญญาที่เกิดขึ้นรักษาใจแม่ทุกสามารถจะเข้าถึงความสุขเซนสารอินทันิพานไปที่หมายเรียกทุกคนเถิ